เอา่ายอย่าซีเรียบเรื่องความโง่าสามระดับคนเข้าวัดส่วนใหญ่ไปเพราะศรัทธาพระศรัทธาเจ้าอาวาส ไปดูสิจีวรท่านสวยมากผมจีวรแล้วผ่องหน้านับถือนี่โง่อันดับหนึ่งอีกคนบอกไปดูกิริยาท่าทางสิสุภาพอ่อนโยนมีอำนาจหน้านับถืออันนี้โง่อันดับสองไปดูหน้าท่านสิท่านขาวหล่อสะอาด หน้าศรัทธาพวกนี้โง่อันดับสามการเข้าวัดเราต้องเข้ามาฟังธรรมะแล้วนำไปปฏิบัติตามจึงจะเกิดปัญญาจึงจะสามารถลดทุกข์ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนน้อยลงเดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากเข้าวัดโดยไม่เข้าใจ